พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบสาพระสูตรที่ส3บสาจูลมาลุงกโยวาทสูตรสูตรว่าด้วยประธานโอวาสแกพระมาลุงกะยะสูตรเล็กพระผู้มีพระภาคประทับนเชตวนารามพระมาลุงกะยะบุตรคิดว่าพระผู้มีพระภาคไม่ส่งตอบปัญหาเรื่องทิฏิสิบประการ